ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเรากาลังเจริญสติแต่เรามีปัญหาเรื่องความคิดมากของเราเนี่ยเราก็จะอย่าไปห้ามความคิดเพราะว่าการเจริญสติเนี่ยไม่ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้ความคิดเลยเลยไม่ต้องไปตั้งใจคิดอะไรแต่ว่าเราอยาเข้าไปอยู่ในความคิด แล้วก็ไม่ห้ามความคิดแต่ให้รู้ทันความคิดเวลามันคิดปับ๊บเรามีสติปุ๊บคิดปับ๊บเรามีสติรู้ปุ๊บมันคิดทีไรแล้วก็มีสติรู้ทุกทียิ่งคิดมากก็ยิ่งดีนะมันทําให้เราได้มีสติมากขึ้นมากขึ้นอันนี้หลวงพ่อเทียนก็บอกเอาไว้ถ้าว่าเราจเจริญสติเห็นความคิดบ่อยๆเห็นความคิดบ่อยๆ ถ้าเรารู้ทันความคิดบ่อยๆเนี่ยรู้อย่างต่อเนื่องพอคิดปั๊บรู้ปุ๊บคิดปั๊บรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสภาวะที่มันมันมันมันแตกโพล่เ้นมาเลยเนี่ยตรงเนี้ยพอรู้ทันความคิดบ่อยๆก็เนี่ยมันจะมีอาการตากโพราะตอนนี้มันจะมีการปฏิวัติชีวิตใหม่มันเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เลยมันเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ตรงเนี้ย ตอนที่เราเห็นคิดเนี่ยชีวิตมันก็เปลี่ยนพูดถึงเรื่องความคิดแล้วเนี่ยเราห้ามความคิดไม่ได้หรอกมันต้องคิดโดยธรรมชาติของมันจิตใจของเราเนี่ยมันมีหน้าที่คิดเนี่ยมันต้องคิดอย่างงั้นอ่ะคนที่ไม่มีชีวิตหรือคนตายแล้วเนี่ยมันไม่มีความคิดหรอกความคิดไม่มีวันหมดถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอาวุธสำคัญคือคือการเจริญสติ บ, บ่อยๆเอาสติมาคล้องจิตเอาไว้ความคิดมันก็เข้าไม่ถึงแม้มันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องดับ ท, ทันทีเกิดแล้วดับ ท, ทันทีเกิดปุ๊บมันดับปับ๊บเลยถ้าเรามีสติรูนนะ้ทันนะอันเนียสำหรับนักปฏิบัติอย่าท้อแท้เวลาเราคิดมากก็ปล่อยมันคิดไปดีแล้วเราจะได้เจริญสติได้มากๆ